ทำสมาธิจเจริญสติทําได้หลายแบบนะวิธีนึงที่ทํากันเป็นประจําหรือว่าเห็นอยู่บ่อยๆก็คือการนั่งหลับตาตามลมหายใจก็คือการเราก็นั่งหลับตาเนี่ยนะฮะหลับตาเบาๆแล้วก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายอาจจะเริ่มต้นนําให้เอาผ่อนคลายที่ใบหน้าก่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าไลา่ความรู้สึกลงมารู้สึกผ่อนคลายที่ต้นคอหัวไหล่ แขนและมือทั้งสองข้างรู้สึกผ่อนคลายที่ต้นที่หน้าอกช่องท้องไล่ความสึกลงมาที่ต้นขาและปลายเท้าผ่อนคลายหายใจสบายๆหายใจเป็นธรรมชาติน้อมจิตมาที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจเข้ารู้สึกเบาๆหายใจออกก็รู้สึกเบา ให้ใจรับรู้งลมหายใจเข้าแลวออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือว่าไล่ความรู้สึกลงมาตามลมหายใจมาที่คอที่ช่องท้องแล้วก็ไล่ลมหายใจออกมาจนถึงปลายจมูกวางความนึคิดต่างๆลงชั่วคราวเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมาให้ปล่อยวางถามว่าใจเพ้อคิดอะไรรู้ทันก็กลับมาที่ลมหายใจอันนี้เป็นเริ่มต้นแบบเนี้ย นี่เป็นวิธีหนึ่งนะให้ก็ทําสักสานาทีห้านาทีบอกเขาว่าไม่ต้องไม่ต้องไปกดไปห้ามความคิดมันจะคิดไปยังไงรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาถ้าเด็กไปห้ามความคิดเนี่ยเด็กจะเครียดแล้วเด็กก็จะเบื่อเพราะว่าแล้วเด็กจะท้อเพราะว่าห้ามยังไงก็ไม่ยอมอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นวิธีแบบที่ไม่ต้องปิดตาอาจจะใช้วิธีการพลิกมือไปมาพลิกมือไปมาสมมติอย่างอยู่บนโต๊ะนะก็พลิกมือนะเราก็ มองไปที่มือก็ได้นะแล้วก็พลิกก็ให้รู้ตัวรู้สึกตัวเมื่อเวลาที่พลิกมือจะพลิกซ้ายแล้วก็พลิกขวาทีก็ได้นะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายทีขวาทีให้ใจเนี่ยรู้สึกตัวหรือรู้สึกว่ามือมันเคลื่อนพลิกไปพลิกมือมาถ้าใจลอยรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมารู้สึกตัวขณะที่พลิกไม่ต้องนับไม่ต้องบริการอะไรทั้งสิ้นนะ เป็นต้นนะอันนี้ก็ทําสามทีห้าทีได้มันจะง่ายถ้าทำถ้าทำแบบลูกพเทียนแต่รูปแบบเนี้ยอาจจะลําบากก็ต้องยกมือสร้างจังหวะใช่ไหมอันนี้มันจะจะยากหรือแม้ก็อาจจะมือแค่นี้พอบางทีเด็กเนี้ยอาจจะชอบอะไรที่เคลื่อนไหวเด็กเล็กๆอาจจะทํำนี้ง่ายกว่านั่งหลับตาใช่ไหมฮะทำได้หลายแบบนะฮะขอโทษคือว่าให้อาศัยการเคลื่อนไหวของมือนะขณะที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยเป็น เป็นตัวดึงจิตเพื่อให้มีสติแล้วก็มีสมาธิสติเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยดึงจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าจิตเนี่ยมันตั้งมั่นแน่วแน่กับสิ่งใดสื่งหนึง่งก็เรียกว่าสมาธิและสติกับสมาธิเป็นพี่น้องกันนะคราวนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็ให้เขาให้ให้เขามีสติกับสิ่งอื่นด้วยเช่น เวลาเขาเดินขึ้นเดินเวลาเข้าแถวใช่ไหมถ้าเข้าแถวเนี่ยก็ตามลมหายใจไปแต่ที่ยืนอยู่บนแถวพอเดินก็ให้มีสติอาการเดินใจไม่ต้องวอกแวกไปไหนรับรู้อิสติอาการเดินก็เหมือนการเดินตรงกลมเพียงแต่ว่าเราเดินเราเดินเราเดินขึ้นห้องนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่นอกห้องเรียนบางทีคุ้มยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราสอนให้เขารู้วิธีเนี่ยเขาอาจะไปทําเอง มันมีเมื่อสักสองสามเดือนก่อนเนี่ยมันมีรายงานชิ้นหนึ่งเป็นการวิจัยที่แคนาดาก็าทํากับนักเรียนชั้นปชั้นป .4 ป .5 แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็สอนตามหลักสูตรปกติรวมทั้งวิชาหน้าที่พลงเมืองวิชาประสบการณ์ชีวิตสอนตามปกติอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการเจริญสติเจริญสติเนี่ยมีหลายแบบเช่น หลับตาตามลมหายใจเวลาสามครั้ ง, ง, งนะครั้งละสามนาทีครั้งละสามนาทีเท่านะฮะเวลาสามครั้งแล้วก็เราถมีสติาการกินเวลากินก็มีสติใจไม่ต้องวกแวกเคี้ยวตามสบายแต่ใจอย่าวกแวกรับรู้รสชาติของอาหารแต่ว่ารู้รเฉยๆแล้วก็รวมทั้งการไปทำกิจกรรมเกี่ยวจิตอาสาบ้าง ปรกว่าผ่านไปเขาทำเงี้ยสี่เดือนแล้วเขาก็มีการทดสอบหลายอย่างของเด็กสองกลุ่มนี้พบว่าเด็กกลุ่มที่สองที่มีการเจริสติและมีกิจกรรมอย่างที่ว่ามาเนี่ปพากว่ า, าการเรียนดีขึ้นทานําคะแนนได้มากขึ้นรวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์นะประมาณสิบเจ็ถึงยี่สิเเซนสูงกว่ากลุ่มสองแล้วก็ มารยาทหรือว่าพฤติกรรมสังคมเนี่ยดีขึ้นก้าวร้าวน้อยลงเอ้อิจตโลน้อยลงเขามีเปอร์เซ็นต์หมดนะฝรั่งนี่เขาเขาเก่งมากเขทำเป็นอะไรทำเปเ ป, เปอร์เซ็นต์หมดแล้วก็เฮ้ยเขาจะพบว่าเด็กเนี่ยมีความเครียดน้อยลงนะที่มาเป็นขาวเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ชี้เห็นว่าสติทําให้การเรียนดีขึ้น แต่ก่อนเนี่ยเราก็ว่าสติทําให้เด็กมีความสุขเด็กมีความเครียดน้อยลงนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกต้นแรกๆเลยก็ว่าได้ที่พิสูจน์ว่าชี้ว่าการเจริญสติเนี่ยมันทําให้เด็กเก่งด้วยไม่ใช่แค่ดีและมีสุขเฉยๆนะสติทําให้เด็กทั้งเก่งดีแล้วก็มีสุขพร้อมๆกันเลยมันบางทีมันซับซ้อนกันนะแต่ว่าความแตกต่าง ระหว่างฉันทากับตัณหาหง่ายๆนะคือฉันทาอยากทำตัณหาอยากได้นะความอยากได้เนี่ยถ้าได้ขอให้ได้ก็พอไม่ต้องทำก็ได้เช่นอย่างได้คะแนนเนี่ยหลายคนอยากได้คะแนนก็ใช้วิธีซิกแซกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้คะแนนใช่แต่ว่าชันทาเนี่ยคือความอยากทำนะแต่ในระหว่างที่ระหว่างที่ทำเนี่ยบางทีมันมีตัณหาโผล่ขึ้นมาก็ได้ เช่นทำเราก็อยากได้บางทีทําอยากอยากได้ทําความดีมีความสุขที่ได้ทําความดีแต่ว่าอีกแวบหนึง่งมันก็อยากจะให้คนชมอยากจะให้คนเห็นว่าเราทําดีตรงนี้เป็นตันหาคือบางทีนี่มันจะมันจะแทกเข้ามาตันหาที่มันพร้อมจะแทรกเข้ามาได้ทุกเวลาเมื่อมีฉันทะถ้าอนี้เป็นปัญหาที่เกิดตอนที่เราเปนเสพิดขึ้นในปัจจุบันนะมันจะมีความที่แทรก นเป็นออะไราที่แกขึ้นาต่แก็จะพอเอรอแต่ว่าเอเจะเป็นภาษาัอาจจะเป็นพราว่ายังยังมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยสติที่เกิดขึ้นเพียงแค่เกิดชันน่วขณะแล้วคือสกติมันเป็นขณนะขาะสติพอมันดับไปขณะหนึ่งเนี่ย มันก็อา จ, จะเปิดโอกาสเปิดช่องให้ความคิดโผเข้ามาแต่ถ้าสติเราเนี่ยไวแล้วก็มีกําลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทีนะมันก็จะช่องหรือโอกาสที่ความคิดฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นมาหรือความสงสัยที่ว่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าเกิดห่างขึ้นห่างึ้นดังนั้นธรรมดาแนละ้วคุณก็ปฏิบัติไปเจริญสติมาเข้ามาเข้า ข้อสำคัญคือว่าแค่ดูมันเฉยเฉยมันมีความคิดขึ้นมาก็ดูมันเฉยเฉยจะไปทำอะไรกับมันเพราะถ้าคุณไปกดไปข่มมันมันก็จะโผล่มาบ่อยๆมันก็จะมารังควานคุณเรื่อยๆดูมันเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองวาตจะมีตัวอย่างของครูเรื่องการเรียนการสอนนะครับที่ประเทศิงคโปร์ค่ะ มีเด็กเกมากคนเดเกับภาษาญี่ปุ่นายุคนะคะมีที่เสียมากแล้วมื่ออายุ1คือเพื่อสัปดาห์ก่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาก็ออกมาทาเรื่องที่ทุกคนตกใจมากคือเข้า่นฟรีแต่เขลุขึ้นมาเขียนด่าไม่เห็นดูเปรียบเทียบกับบุรีบุรีดูนคนประเทศตั้งขึ้นชมและร้องไห้ เด็กอย่างนี้นะคะที่ฉนเคยเห็นในฐานะเป็นครูมวนาเด็กค่ะที่ฉันเคยเห็นแต่ไมสัำโคตรอนไรก็คนะนะคะคนไทยเนี่ยจะขึกก้นโงเห็นเกงมากจนกระทั่งครูบางคนเนี่ยรักแต่เด็กเกงแล้วก็ขึ้นโงแต่พวกคนรวยทำให้นคนจนหลายคนเนี่ยใจคอให้สบาย ทีฉันอยากจะพิาในพวกเรื่องนี้ว่าการเรสอนที่เด็กเก่งเนี่ยแล้วเจงให้อยู่ในทีให้อยู่ในขอบเเนี่ยจะทาได้อย่างแค่ไหนอยาให้เกิดตการ่เด็กอายุที่เก่งคนนี้ที่กลายเป็นต้องเ้กทั้ที่ตัวเองเป็นอัจฉริยะต้องขอกระตุาเพื่ออัจฉริยะนี่เขาว่ดที่ไอคิวใช่ไหมฮะ IQ เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะแต่ว่า IQ อย่ายังนี้ไม่พอนะมันต้องมี EQ ด้วยใช่ไหมฮะเด็กคนนี้อาจจะมี IQ แต่ว่า EQ นี่ต่ํา EQ เนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ IQ เป็นเรื่องสมองพูดง่ายคือว่า IQ เป็นเรื่องของสมอง EQ คิวเป็นเรื่องหัวใจาการพัฒนาคนเนี่ยมันต้องพัฒนาให้ครบทุกด้านไม่ใช่แต่สมองการลุนหัวใจด้วยนะ คราวนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาเขาจะมีความคิดคือคนเราเนี่ยนะสมัยที่การสาธุวันเนี่ยมันเป็ น, นเรื่องการคิดคิดให้เก่งคิดให้เร็วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคือการฝึกให้รู้จักหยุดคิดให้รู้จักวางความคิดใช่ไหมบางทีเด็กคนนี้เนี่ยเขอาจจะมีความคิดดีแต่ว่าเขาสติเขาอ่อนไปหน่อย เขาอยากจะทำมันเามีความคิดอะไรเขาก็เอเรียกว่าไอเดียไอเดียก็ะชูดไอเดียก็ชูดแต่ว่าสติเนี่ยอ่อนเนี่ยบางทีก็อาจจะก็เลยทำอาที่ว่าคือทาวิดีโอใน Youtube ดวนเข้าไปอาจจะเป็นความคิดช่วนเล่นเพราะว่าสติอ่อนนะหรือว่า e อเนี่ยยังไม่พัฒนามากต้าตมาิชื่อก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเนี่ยคนเราเนี่ยจะจะพัฒนาแต่เรื่อง IQ หรือเรื่องสมองไม่ได้ต้องพัฒนาเรื่องหัวใจ จะเก่งจะเก่งคิดจะคิดเก่งเนี่ยไม่พอต้องรู้จักวางความคิดด้วยเหมือนกับเราเนี่ยจะจะผูกปมอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักแก้ปมด้วยนะเราจะปีนต้นไม้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องรู้จักวิธีลงด้วยใช่ไหมบางคนไวเนี่ยคิดเก่งแต่หยุดคิดไม่ได้วางความคิดไม่เป็นใช่ไหมรวมทั้งอาจจะรวมถึงว่าใจเนี่ยไม่มีพลัง เราเคยได้ยินคำพูดที่ว่านี่ว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ไหมดีชั่วรู้หมดอีกคราะว่าในเรื่องของอินเทลเลกจ์นเรื่องของปัญญานี่รู้หมดแล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ไ ม, มีไม่มีพลังพอที่จะทําความดีหรือที่จะหักห้ามความชั่วใช่ไหมเมื่อคนหลายคนที่รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีแต่ว่าห้ามใจไม่ได้อันนี้เรียกว่าใจไม่มีพลังอันนี้ก็เป็นจุดออนของการสึกษาในปัจจุบันนะคือการศึกษาปัจจุบันเนี่ย เราเน้นเรื่องการคิดเก่งคิดไวแต่ว่าเราไม่ฝึกเรื่องใจให้มีพลังเพียงแค่รู้จักคอยเนี่ยเราก็คอยไม่เป็นแล้วแต่ว่าสําคัญมากเลยที่อเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณสักสี่0ิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีการทดลองซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นการทดลองที่ดูเหมือนธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าในเวลา20ปีต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นก า, การทดลองที่มีชื่อเสียงมากของมหาลัยสแตนฟอร์ดการทดลองนี้ ชื่อว่า s t a n d f o r d m a r s h m a l l o w Experiment marshmallow นี่เป็นขนมนะคือมันง่ายๆเนี่ยคือว่าเอาเด็กประมาณสี่ห้าขวบเนี่ยประมาณยี่สิคนสิบห้าคนเนี่ยเข้ามาในห้องในห้องเนี่ยก็จะมีโต๊ะวางอยู่กลางห้องแล้วก็มีถาดขนมม s ชเมลโล w ผู้ใหญ่ที่เข้ามาที่พาเด็กเข้ามาในห้องก็จะบอกเด็กว่าถ้ากินเดี๋ยวนี้เลยนะ กินได้ชิ้นเดียวแต่ถ้ารอสิบห้านาทีจะได้กินสองชิ้นเด็กทุกคนรู้เลยนะว่าสองชิ้นดีกว่าชิ้นเดีย ว, ชยวใช่ไหมแต่พอผู้ใหญ่ออกไปจากห้องนะปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวนะเด็กหนึ่งในสเนี่ยเคี้ยวหยิบหยิบมัชมันโรมากินทันทีเลยเรารอสิบห้านาทีไม่ได้อีกสองในสามเนี่ยก็พยายามที่จะหักข้ามใจแต่ว่า ต่ที่สุดแล้วเนี่ยมีแค่1นในสามที่สามารถจะอดลนทนสิบห้านาทีเพื่อจะได้กินสองชิ้นอันนี้ก็พิสูจน์ว่าเนี่ยค น, นเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่อดใจไม่ได้ใช่แต่ว่าการทดลองนี้มันมันไปไกลกว่า น, นั้นเพราะว่าผ่านไปยี่สิปีเนี่ยสิบปี20ิบปีเาก็ตามเด็กเขาก็ตามเด็กกลุ่มนี้ที่จริงไม่มีแค่นี้นะมันมีประมาณ6 0ร้อคนเขาทำหลายครั้ง แล้วเพราะว่าเด็กที่ไอเด็กกลุ่มที่อดทนทนไม่ได้ใจร้อนเนี่ยนะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนส่วนใหญ่ตั้งแต่โดยเฉพาะในระดับมัธยมเข้าหมายเทลัยก็เรียนไม่จบซี่เยอะจบมาแล้วก็ไม่มีงานทําและเด็กเหล่านี้เนี่ยจะมีตัวอ้วนนะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็ น, ปนในเรียนประถมก็ตัวอ้วนเพราะกินพวกอาหารจังฟูดเยอะพอเป็นวัยรุ่นก็ติดเหล้า การที่เด็กกลุ่มกลุ่มกลุ่มหลังเนี่ยที่อดลนทน15นาทีแล้วกิน2ชิ้นเนี่ยบอกว่าการเรียนดีสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในอเมริกาพิสูจกร์แกอร์ SAT สกอร์ออออเนี่ยคือเป็นคะแนนที่เป็นเป็นคะแนนคะแนนสากลเนี่ยที่ใช้ในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าไอเด็กกลุ่ม2เนี่ยประมาณร0 0 2 0 0คะแนนเลยสุขภาพดีกว่าการเรียนเรียนจบ แล้วก็มีงานทำที่ดีกว่าติดเล่าติดยาน้อยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนสนใจขึ้นมาว่าเพียงแค่เนี่ยคือเขาพยายามเขาพยายามศึกษ า, า, า, าว่าทำไมเด็กสองกลุ่มนี้แตกต่างกันเขาพบว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างด้านรายได้ด้านอายุด้านเพศแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเดียวที่เขาพบก็คือว่าความรู้จักรอคอยไอ้เด็กที่กลุ่มที่เรารู้จักรอคอยเนี่ยนะ จะประสบความสุขในการเรียนสุขภาพก็จะดีกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้การรู้จักรอคอยเนี่ถามว่าโรงเรียนเนี่ยทุกวันเนี่ยสอนแค่ไหนพ่อแม่เนี่สอนแค่ไห น, อ น, ส, อ น, ไหนสอนน้อยมากนะฮะเพราะว่ามันมันมันมันวัดเอาคะแนนไม่ได้ไอ้การรู้จักคอยอะ่ะใช่ไหมคุณวัดเอาได้ว่าใครใครใครทำคณิตศาสตร์เก่งเนี่ยคุณวัดวัดเป็นคะแนนได้แต่วัดวัดเด็กคนนี้รู้จักอดทนรอคอย นะเด็กคนที่มีน้ําใจเนี่ยบางทีมันวัดวั ด, วดเป็นคะแนนไม่ได้นะอาตมาคิดว่าการศึกษาทุกวันนี้สิ่งที่ขาดไปคือการพัฒนาตรงเนี่ยที่เขาเรียกภาษาฝรังเรียกว่า EQ ความรู้จักอดทนรอคอยการมีสติหรือว่าการมีน้ําใจกนะารรู้จักมอมในแง่บวกไอ้พวกนี้เนี่ยอาตมาคิดว่ายิ่งเป็นเด็กอัจฉรยิยะยิ่งต้องมีเพราะเด็กอัจฉรยิยะเนี่ยคิดไวคิดเร็วนะวแต่แต่ว่ามักจะขาดข้ามใจไม่ค่อยได้ และยิ่งเด็กยิ่งเด็กยิ่งเด็กที่ถูกปล่ยปาย่าละเลยเรื่องนี้ด้วยแล้วเนี่ยไอเรื่องเก่งก็ไม่เก่งดีก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งส่วนหนึ่งของของสิ่งที่ธรรมาเรียกวิาชาชีวิตนะที่ควรจะสอนกันในในห้องเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้สร้างเสริมขึ้นมาในใจของเขาเกี่ยว รางองมปวัก่าเกรว่าเป็น้ัหรือว่ากในวสุนะอาว่าการการั้งสมาธินิ่งๆเนี่ยก็ทำได้นะแต่ว่าไม่ควรนานสามนาทีอาจจะเริ่มต้งแสามนาทีก่อนแล้วก็ถ้าก็ทำได้นานกว่านั้นก็ลองดูสี่นาทีห้านาที แต่ที่เรามาบอกนั้นสมาธิเนี่ยมันทําได้หลายวิธีบางทีการทําสมาธิกับการเคลื่อนไหวก็ได้การทําสมาธิกับกับกับสิ่งของที่อยู่ข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมจะมีสมาธิกับการเล่นรีโก้เลโก้ก็ยังได้เลยแต่ว่าสมาธิกับการเล่นเลโก้เนี่ยมันจะมีคุณภาพต่างจากการมีสมาธิกับลมหายใจก็ลองฝึกบ้างนะให้เด็กทํามนาทีถ้าทําได้ คือมันอยู่ที่การฝึกใหม่ๆ3นาทีไม่ได้เรา ก, ก็อาจจะหนึ่งนาทีนะอาจใช้เสียงเพลงมีการพบว่าการใช้เสียงเพลงเนี่ยช่วยกล่อมเกลาจิตใจเด็กได้ดีเพลงบาๆเพลงธรรมชาติมีเพื่อนตมาเนี่ยใช้เสียงธรรมชาติแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้าไปในป่านะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะแล้วก็ ให้อยู่ในป่าแล้วก็ให้มีสมาธิอยู่กับสายน้ำมีสมาธิอยู่กับดอกไม้อยู่นิ่งๆมองเ <c oughs> นี่ยคือแค่เด็กนิ่งไนดะ้นี่ก็เก่งแล้วนะเด็กเล็กๆนะแต่ว่าใช้เสียงเพลงมาก ำ, า ก, ำกับถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะให้เขานั่งหลับตาแล้วก็ให้เขาทำสมาธิด้วยการมีเสียงเพลง Light Music Spiritual Music ววเลือกเสียงธรรมชาตินี่นะช่วยได้ ใช้เครื่องทุนแรงหน่อยวิธีหนึ่งที่อาตมาใช้กับไม่ไม่ไม่เคยใช้กับไม่เคยใช้กับเด็กอนุบาล น, นะแต่ว่าใช้กับเด็กโตหน่อยหรือว่าแม้ทั่งผู้ใหญ่เนี่ยอาตมาใช้ถั่วนะถั่วเนี่ยใส่ไวในใส่ไว้ในถ้วยถ้วยหนึ่งใส่ถั่วเต็มใบแล้อีกถ้วยหนึ่งเป็นถ้วยที่ว่างเปล่าและถ้าเป็นถ้วยพลาสติกยิ่งดีที่เสียงกับตกกระทบทดังๆนะ เวลาหย่อนหย่อน ท, วอนทัวลงไปเนี่ยเสียงมันดังดังหน่อยนะแล้วก็ให้เขาฟังเสียงเพลงบอกเขาว่าให้ใจอยู่กับเสียงเพลงถ้ามื่อใดใจเขาคิดนึกไปนึกไปนี่เนี่ยให้เขาเอาถัวเนี่ยหย่อนลงไปในถ้วยเพลิกี่ครั้งก็หย่อนไปจํานวนครั้งนะตาเปิดนะฟังเสียงเพลงหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขามองไปที่มองไปที่พื้น นะนั่งสมาด์นั่งขัดสมาด์มองไปที่พื้นให้ใจเขาอยู่ที่พื้นให้ตาเขาอยู่ใจอยู่ที่พื้นถ้าเกิดใจเขาบอกแวกคิดน้อยคิดนี้ก็ยอ้อนถั่วลงไปนะวิธีนี้เนี่ยมันก็สอนให้เด็กมีสติให้รู้ทันความคิดว่าเมื่อไหรที่เผลอก็หย่อนลงไปอันนี้มันไม่ใช่สมาธินะแต่สมาธิก็ทําได้ถ้าเกิดว่าให้ใ ห, ให้ให้มีสมาธิกับเสียงเพลงนะ แต่พอใจว่าเมื่อไหร่ก็หย่อนทั่วหย่อนถั่วลงไปนะพอทำได้ไหมเด็กอนุบาลอย่างนี้ได้มครับอาจารย์คือผมแตู่รกอบการโรงเรียนก็มีความเป็นควานักเรียนที่แต่ละระัยคุณพ่อพ่อเด็กๆกุ่นี้นะเมื่กี้ระอาจารย์ขบอกว่าว่า เราเราเราไม่เอยาเดือดร้อนเราทำเริดมค์คการเรียนรู้กยาว่าเรนียนแต่ว่าถ้าท่านในเรืองผมผมมาว่าท่านในเองกาจารย์รมะที่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ารเราเนคนตอนนี้จริงๆก็คือคือ่างการที่เราขอขาดสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เราเราเราตนองทแ่ยุคแตยุคยึ้ึ้งเกิดการบอกว่า ดึงโดนว่าแล้วต้องเองถ้ช้คแรเข้าไปเป็นคนในปากครี้เป็นคนที่การติดตามหาูยากนเอจะเป็นารู้จักทั่วไปต่เรเราจัมาแต่เขาทีพูดแล้ีปากมีสได้ยังไงขอเปิดาละ คือเบื้องต้นนะให้เขามีคุณธรรมก่อนไอเรื่องสตินี่เอาไว้เอาไว้ก่อนนะก็คือว่าคือเด็กพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเด็กเกเรเนะอาจจะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมลึกๆเนี่ยนะถึงสาเป็นที่สุดเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยอย่างที่เร า, มมาบอกคือพวกนี้เนี่ยเขาคิด่อตัวเองเนี่ยเอาดีไม่ได้แล้วแล้วก็ไปทําชั่วแทนเพราะคนเราเนี่ยมันมีอีโก้ถ้าอีโก้เนี่ยมันเด่นทางดีไม่ได้ก็ไปเด่นทางชั่ว มันเคยมีกรณีนึงนาะตมาเคยชวนเคยสับสนการทำค่ายค่ายนี้เชืวว่อสุดแท้ด้วยปัญญาทําปีหนึงประมาณ40ค่ายก็มีอาตมาไม่ได้ทําเองนะแต่ว่ามีกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาเขาเสนอตัวไปทําแล้วก็ทางตากับเครือข่ายก็ช่วยให้ทุนมีคราวนึงเนี่ยค่ายเนี่ยจัดประมาณ4วันโดยคนที่เคยเป็นเคยเข้าแก๊ง เป็นหัวหน้าแก๊งพวกแก๊งซามูไรแล้วเขตรองกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็อยากจะมาช่วยเหลือเด็กๆในแก๊งให้กลับมาเป็นคนมือ ใ, ให้กลับมาเป็นคนดีก็เลยทําค่ายนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ชักชวนลูกน้องลูกน้องเก่าเนี่ยในค่ายในแก๊งของตัวแล้วก็ชักชวนเด็กในแก๊งอื่นมาด้วยทีแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มาเพราะ ลูกพี่สั่งแต่พอรู้ว่าอีกแก๊งหนึ่งมาด้วยเนี่ยก็เตรียมเตรียมมีดเตรียมเตรียมปืนคนในหมู่บ้านซึ่งคนในหมู่บ้านที่อยู่รอบเนี่ยต ก, กใจมากเพราะว่ารู้จับกีิศัพ์พวกนี้ดีแล้วสองแก๊งเนี่ยเกือบจะตีกันหลายครั้งในช่วงสี่วันที่จัดค่าแต่ว่าก็คุมกันเอาไว้อยู่จบโดยที่ไม่มีเรื่องราวอะไรขึ้นมาชาวบ้านก็ชม หลายคนรู้สึกดีนะเพราะไม่เคยได้รับคําชมแล้วก็มันมีเงื่อนไขของการทําค่ายว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเสร็จค่ายเนี่เราต้องไปทำกิจกิจกรรมจิตอาสาก็ตกลงกันว่าจะไปทํา ไ, ไปช่วยกันช่วยตํารวจตั้งด่านตรวจช่วงช่วงวันปีใหม่เมาไม่ขับตอนที่เด็กกลุ่มนี้แก๊งสองแก๊งเนี่ยมาไปช่วยตํารวจเนี่ยตำรวจก็งงนะเพราะว่าเคยเป็นอริกันใช่ไหม ต, ตำรวจตะกอนเนี่ยคอยไล่จับไอ้ ก, กลุ่มผู้เนี้ย แต่กลุ่มพวกนี้เนี่ยมันกลับมาไปช่วยตํารวจชาวบ้านก็ชมชมเด็กเหล่านี้ว่าเออมันดีนะเพราะชาวบ้านเนี่ยเคยเคยปวดเคยระอากับเด็กกลุ่มนี้มากหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับคําชมจากชาวบ้านเลยพอเขาได้รับคําชมนะเขารู้สึกว่าความมันมีความสึกอยากทําดีอะ่ะความอยากทําดีมันเกิดขึ้นแล้วหลายคนนะก็กลับมาเป็นพวกกลับมาเพื่อเลิกแก๊งเนี่ย เลิกออกจากแก๊งนี้ไปเลยคือเขาเขารู้สึกว่าเขาภาษาฝรั่งก็มี self esteem คือเริ่มมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะอะไรฮะเพราะมีคนชมก็บอกไม่เคยมีใครชมเขาเลยนะพอมีคนชมเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถทําดีได้แล้วเขาก็อยากจะทําดีนะเพราะฉะนั้นสมาชิกวันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายครั้งสมาชิกมีเรื่องเล่าแบบนี้เยอะทีเดียวเพราะว่ามีคนมาเล่าฟังเพราะว่าทํางานเกี่ยวเรื่องพวกเด็กอันตภามพวกเนี้ย ตอที่เป็นเด็กเป็นไอ้ผู้นี่เป็นผู้ที่ไม่เรียนหนังสือแต่ไอ้ผู้ที่เรียนหนังสือเนี่ยแล้วก็เกเรแล้วก็ถูกเพื่อนไปชวนชวนทําความดีทําความดีในวันเด็กแล้วก็กลับกลายเป็นเด็กที่ดีเนี่ยก็มีแล้วแต่มาคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยปัญหาก็คือเขาขาดเซลฟ์เอสติมภาษาฝรั่งคือไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเขาคิดว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนเลวไม่มีทางที่จะดีได้เมื่อดีไม่ได้ก็ไปไปชั่วแทน แต่เกิดว่าถ้าเกิดเขาแล้วเนี่ยนะมีคนชมเขานะไอความฝ่ดีในใจเขาเนี่ยเขาก็อยากจะอยากจะคืออาตมาช่ ว, วทุกคนมีความฝ่ายดีนะเวลาเวลาคนนักโทษนะดูละครนะนักโทษในเมืองไทยนะเวลาดูละครนะมีมีพระเอกสุ้กผู้ร้ายเนี่ยถามว่านักโทษเดี๋ยวเขาเชียร์ใครซามนต์เทกร์เขาเชียร์ใครระหว่างพเพ่กูลน์อ่ะแล้วส่วนใหญ่เชียร์พระเอกนะฮะ แปลกไหมทั้งที่ไายเชียร์ผูร้รายเพราะเป็นผู้เดียวกันใช่ไหมนักโทษเนี่ยมันเชียร์พระเอกทําไมฮะเพราะว่ามีความใฝ่ายดียนะยังอยากจะเชียร์คนดีอะ่ะนั่นน่าแปลกนะทำไมนักโทษทำไมไม่เชียร์ผูร้รายทําไมทั้งที่นักโทษหลายคนก็เป็นผู้รายเหมือนกันใช่ไหมนั่นทำไมคิดว่าคนในแม็กซนักโทษมีความใฝ่ดีทํางานเราจะกระตุ้นความใฝ่ายดีนั้นขึ้นมา คำชมนะฮะคำชมเนี่ยช่วยได้มากนะชมแล้วก็ทําดีอัตมาคิดว่าทุกวันนี้บางทีเราชมกันน้อยไปมีเด็กคนหนึ่งนะอันนี้เด็กเด็กไต้หวันนะเด็กที่แมไม่เอาไม่เอาไหนเลยเด็กประมาณสักแปดเก้าขวบ 8, 9, เป็นเด็กที่แม่เอาไหนเลยครูให้ทำอะไรไม่ทําทุกวิชาเนี่ยแกไม่ร่วมมือเลยแล้ววันนึงเนี่ยครูสอนวิชาศิลปะมา เด็กครูสอนให้ครูให้สอนวาดภาพมันก็ไม่วาดเลยเลยแต่ครูก็ไม่วาดเด็กนะครูถามว่าทําไมเธอไม่วาดคือคุยมาก็เด็กรู้สึกว่าเด็กไม่มั่นใจครูก็เลยบอกไหนลองเธอวาดให้ดูหน่อยสิเด็กก็ไม่ยอมครูก็รุนจนกระทั่งเด็กมันวาดแค่ตะวัดเนี่ยพู่กันตะวัดด้วยพู่กันเนี่ยครูก็บอกเออเธอวาดดีนะเธอวาดดีนะเธอตะวัดได้มีมันมี ม, น ม, ม, นมีพลังนะปะบอกว่ากลับไปบ้านนะ เด็กมันตวาดใหญ่เลยนะเด็กพอได้คาชมแล้วเด็กก็กลับไปตวาดรูปทุกกันแล้วเด็กก็เริ่มสนใจที่จะวาดรูปบอกก็ว่าเด็กวาดรูปจนกระทั่งได้รางวัลก็เอาผลงานของเด็กคนนี้ไปติดไปติดนิทรรศการเด็กก็ภูมิใจนะระหว่างที่เด็กเฝ้าผลงานอยู่ก็มีเด็กรุ่นน้องเนี่ยประมาณหกเจ็ดขวบเนี่ยมาดูเด็กมันก็ดูภาพนะ ดูแล้วดูอีกนะแล้วก็บอกว่าสวยไอ้เจ้าของภาพเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กตัวเล็กก็บอกว่าเนี่ยภาพนี้สวยแต่ว่าผมยังไงผมวาดไม่ได้ไอ้เด็กเจ้าของภาพบอกว่าเธอวาดได้นะเธอเนี่ยสามารถวาดได้คือจากเด็กที่ไม่ไม่เอาไหนะนะพอมีครูชมนะว่าเธอวาดเก่ง น, นะเด็กก็เกิดกําลังใจเกิดความมั่นใจจนกระทั่งประสบความสําเร็จ แล้วเด็กก็สามารถที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กที่ไม่เอาไหนหรือว่าเด็กที่ไม่ไม่มีกําลังใจเนี่ยเกิดกําลังใจขึ้นมาได้อาตมาคิดว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เด็กเกเรแบบนี้ขาดไปคือคําชื่นชมและความรักความเข้าใจถ้าเราเติมคําชื่นชมความรักความเข้าใจอาตมาว่าเด็กก็ จ, จะจะกลับตัวกลับใจได้ง่ายขึ้นเออแม่แต่ พ่อเทียนท่านสอนนักมาตอนที่ไปปฏิบัติใหม่ๆว่าให้ทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะพูดภาษาธรรมาคือทําเต็มที่แต่อย่าซีเรียสไหวไหมทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะคือทําด้วยใจปล่อยวางพูดง่ายปล่อยวางผลประกอบเหตุให้เต็มที่แล้วกันอย่าไปสนใจผลเพราะผลเนี่ยมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายประกอบเหตุให้ดีผลยอมทน อยู่ไม่ได้ต้องแสดงตัวออกมาในที่สุดฉะนั้นจะไปห่วงผลมันจะไปสนใจมันฉะนั้นเรืยอปล่อยวางเ็น่ามอีการสอนีไดเว่าตอนนี้่งครูเวลาอน้เราจะมีรวบงต่งวกนหนงือหอรว่าไม่มีเครื่องมืทีตพูดมาก็ไปไปลอกคนหนึ่งมาองนั้นแหละเพียงแต่ต่อมาชอบฟังชอบชอบอ่านก็เลยเออก็มีเกณฑ์เลกเกณฑ์ น, น้อยมาใช่ไหมฮะก็เลยมาถ่ายทอดให้ฟัง นั้นทนันทีก่อนนะฮะคงพอสมควรกับเวลาอาเชิญกับารอาจารย์อรับาเอ่อาาว่าว่าาลอยวางลอยวางเอากนลยลอยวางนี่มันเป็นเรื่องการทำจิตนะพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะสอนอยู่สองอย่างนะ คู่กันคือปล่อยคือทําจิตกับการทํากิตนะยกตอย่างง่ายพรมิหารสีเนี่ยเป็นเรื่องการทําจิตเมตตากรุณามุทิตเตวเดชขานี่ทําจิตนะทำจิตอย่างเดียวเลยนะส่วนทํากิตนะต้องสังขาวัตถุสี่ทานปิยวาจาอาจจจริยาสมานตตาตาทุกวันนี้เราสอนแต่ทําจิตสอนแต่เรื่องเมตตา กอรุณาวุติตาอุเบกขาแต่เราไม่ได้สอนเรื่องการทํากิจทานปิยวจจาอัาจฉริยะอัจฉริยะคือจิตอาสานั่นเองหรือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายนะแล้วก็สมานรตัตตานคือการร่วมทุกร่วมสู่นะเวลาผู้เจ้าสอนเรื่องผู้เรื่องอนิจจผู้เรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยผู้เจ้าจะสอนสองแง่สอนแง่นึ่คือปล่อยวางอ น, นิจจวัตสังขาราอุป า, าทเวทามินโนปัสสิตวานิุรชันติเตสังกัสมมสุขโข บางสกุลตายนี่นะสอนให้ปล่อยวางว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปมีแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาการสงบวางสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งสังขารในที่นี้คือการคือความคิดจิตปุมแต่งการปล่อยวางความสงบวางสังขารแต่ในบางทีท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่คือการทํากิจคืออย่าอยู่เฉยต้องรีบทำ จะตายอยู่แล้วมันจะตายเมื่อหร่ไม่รู้ต้องรีดทำใช่ไหมท่านทั้งหลายจงทําความหมายถึงพร้อมดนั้นจะเห็นได้ว่าผท้เจ้าสอนเนี่ยสอนแง่ทาจิตทํากิจไอ้ปล่อยวางนี่คือการทําจิตนะแต่ว่าทํากิจก็คือขยันแต่ขยันแบบที่เราว่าปล่อยวางอ่ยคนไปเข้าใจว่าปล่อยวางเนี่ยคือการทนะําทกิกบบกาาาจ ก, ก็คือปล่อยปละละเลยปล่อยปลยละเลยคือเป็นการไม่ทําอะไรเลยอันนั้นคือการไม่ทํากิจแต่ปล่อยวาง ถูกต้องเนี่ยต้องทํากิต ด, ด้วยเช่นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเนีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายนี้ใช่ไหมแต่ว่าผิวก็ต้องกินใช่ไหมป่วยก็ต้องรักษาใช่ไหมนี่เรียกว่าทํากิตและทําจิตทําจิตคือว่าปล่อยวางไม่ทุกข์เป็นมะเร็งก็ไม่ตีโพยตีภายแต่ต้องรักษาเป็นโรคหัวใจก็ไม่ทุกข์ไม่กุ้มใจนี่เรียกปล่อยวางเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่ามันต้องไปหาหมอ ใช่ไหมร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ว่าหิวก็ต้องกินรถไม่ใช่ของเราเสียก็ต้องซ่อมนี่เรียกว่าทําจิตและทํากิจใช่ไหมคนไม่เข้าใจว่าทำปล่อยวางคือทําคือไม่ทําอะไรไม่ใช่เนะข้าใจนะฮะมีตัวอย่างชัดๆตัวอย่างหนึ่งนะสมัยที่หลวงพ่อชายท่านยังมีชีวิตยอยู่นะฮะวัดหนองประพงษ์เนี่ยเป็นวัดที่ยังไม่ค่อยมีคนไปขึ้นเท่าไหร่ กุฏิก็เป็นกุฏิโซมโซมนะมีวันหนึ่งมีพายุพัดกุฏิหลังหนึงโดนพายุพัดเนี่ยจนทั้งหลังคาเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มีฝนตกพระในวันเนี่ยท่านก็คอยหลบหลบฝนที่ตกลงมาหลวงพ่อชาไปเห็นก็ถามว่าทําไมไม่ซ่อมหลังคาพระท่านก็บอกว่าผมฝึกปล่อยวางครับหลวงพว่อชาบอกเนี่ยปล่อยวางมันต้องใช้ปัญญามันไม่ใช่วางเฉยแบบวัวแบบควายใช่ไหม คือห ล, คหลังคาเสียก็ต้องซ่อมแต่ปล่อยวางคือไม่ทุกเนี่ยแต่ซ่อมใช่ไหมฮะ